มงคลชีวิตมงคลที่ห้าเป็นผู้ทําบุญไว้แต่ปางก่อนอุเพจกักตะพุญญาตาเอตัมมังคลมุตตัง กระทำกุศลไว้ดีแล้วตั้งแต่ชาติ่างก่อนชื่อว่าปุเพกะตะปุญญาตากุศลที่กระทำไว้แล้วนั้นจักอํานวยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างพระประเจกับพุทธเจ้าบ้างเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าบ้างเกิดในถิ่นที่มีโอกาสฟังธรรมและรู้ธรรมจากพระพุทธเจ้าบ้างเป็นต้น ประเภทของบุญที่กระทำไว้บุญหรือกุศลที่บุคคลทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายสังสมไว้นั้นเป็นบุญชั้นพิเศษเรียกว่าบารมีสิซึ่งมีการสังสมไว้เป็นเวลายาวนานแตกต่างกันออกไปตามความปรารถนาเช่น หากต้องการเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีนานถึงสอสงไขยแสนกัปหากต้องการเป็นพระอัคาราสาวกก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งอสงไขยแสนกัปเป็นต้นบารมีสิบประการคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐาน เมตตาและอุเบกขาสำหรับบุคคลปกติที่ไม่ได้มุ่งตรัสรู้ก็ประพฤติอยู่ในบุญแต่ไม่ใช่บุญที่เป็นบารมีเป็นเพียงบุญตามปกติมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาหากมุ่งสังสมบุญเพื่อตรัสรู้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีนี้ทั้ง10ประการให้เข้มข้น จริงจังต่อเนื่องและบุญนั้นจะกำหนดความเป็นไปตั้งแต่ผู้เป็นบิดามารดาสถานที่เกิดและการพบปะระหว่างคนที่สั่งสมบุญด้วยกันความสำคัญของบุญที่ทำแต่ปางก่อนบุญที่ทำไว้ปางก่อนย่อมอำนวยให้บรรลุพระอรหันต แม้ฟังคาถาเพียงสี่บทเช่นท่านพระพาหิยะและท่านจุลปันธกะเป็นต้นบุญย่อมกระตุ้นเตือนให้เบื่อน่ายคิสละย่าเรือนบวชเป็นบรรพชิตดุดการออกบวชของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นต้นการทำบุญไว้แต่ปางก่อดจัดเป็นมงคลเพราะ 1>, 1. ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ 2. เกิดในถิ่นและครอบครัวที่ดี 3. มีโอกาสพบเห็นคนดี 4. สามารถตรัสรู้ธรรมได้โดยไม่ยาก